เรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยเรื่องที่จะเล่าต่อไปนนี้เป็นเรื่องที่คุณต้นได้ฟังมาจากคุณแม่นะคะแล้วก็แม่ของคุณต้นเนี่ยก็เป็นคุณป้าแท้ๆของคุณต้นซึ่งเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กก็เลยเรียกติดปากว่าแม่นะคะ เมื่อประมาณ20ปีที่ผ่านมาคุณต้นก็อายุประมาณ3าขวบตอนนั้นเนี่ยกำลังเริ่มพูดเป็นประโยคได้บ้างกําลังเป็นช่างเด็กที่ขี้สงสยัยก็อาศัยอยู่ที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกนคลนครค่ะแต่ว่าแม่ของคุณต้นเนี่ยเขามีอาชีพทํานาซึ่งต้องกลับไปทํานาที่บ้านเกิดของเขาแล้วก็ต้องกลับไปปีละครั้งในช่วงฤดูการทํานาซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อว่าบ้านนนยิ้ว อยู่ในอำเภอวานอนนิวาสค่ะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยถือกันว่าที่เนี่ยกันดานมากแล้วก็ห่างจากอำเภอที่คุณต้นอยู่ประมาณสัก40กิโลโดยสมัยนั้นชาวบ้านแถวนั้นเขาจะมีความเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจกันอยู่แล้วรวมทั้งปัจจุบันด้วยนะคะ ด้วยความห่างไกลความเจริญสมัยนั้นการเดินทางต้องใช้รถโดยสารประจำทางซึ่งเป็นรถ2แถว6ล้อแล้วก็มีเพียงแค่วันละ1เที่ยวเท่านั้นค่ะแล้วก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมงในระยะทางแค่40กิโล ในปีนั้นถึงฤดูการทำนาแม่ของคุณต้นก็ต้องไปทำงานเป็นประจำทุกปีแล้วก็ปีนี้เนี่ยท่านเอาคุณต้นไปด้วยซึ่งเป็นการทำนาทางแถบชนบทก็จะใช้เวลาในการดํานาเป็นเวลานานๆแล้วก็เลยจำเป็นต้องสร้างกระท่อมเล็กๆไว้ซึ่งเรียกว่าเถียงนานะคะก็เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยในช่วงการทํานาซึ่งคนแถวนั้นก็จะมีเถียงนาใกล้ๆกันหากพื้นที่นาใกล้กัน วันแรกของการทำนาในปีนั้นแม่ก็พาไปทำนาด้วยตอนเช้าๆแม่ก็จะทิ้งคุณต้นเล่นกับเด็กๆที่เป็นเด็กแถวนั้นแหละนะคะเป็นเพื่อนรุ่นพี่เล่นกันอยู่ที่ใต้เถียงนาจนกระทั่งถึงช่วงกลางวันค่ะก็มีการพักมากินขงกินข้าวทำกับข้าวกินกันนะคะซึ่งก็หาได้จากที่ทุ่งนานั่นเองพอถึงช่วงเวลาบ่าย ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นทำให้ได้เจอกับเรื่องราวแปลกๆในชีวิตของคุณต้นเลยก็ว่าได้เวลาบ่ายแก่ๆประมาณ4ี่โมงเย็นโดยประมาณแต่ว่าวันนั้นฟ้าครึ้ม แล้วก็มีพวกลมแรงพายุนี่มากันแบบชนิดที่ว่ามาแรงเป็นพิเศษนะคะชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าพบกับผู้ชายมีอายุคนหนึ่งพร้อมด้วยฝูงหมาดำประมาณ 5-6 ตัวเดินผ่านหมู่บ้านไปทางทุ่งนาที่คุณต้นแล้วก็คุณแม่ทํานาอยู่ซึ่งก่อนหน้านี้สักพักหนึ่งก็ได้นั่งกลิ้งผลแตงโมเล่นอยู่ใต้เถีงนาเพียงแค่คนเดียวแต่ด้วยความที่ลมแรงแม่ก็เลยเป็นห่วงว่าฝนจะตกแล้วก็กลัวว่าจะวิ่งไปข้างนอก แม่ก็เลยเอาเข้าเปลนอนไปนะคะซึ่งเปลสมัยก่อนนี้จะต้องบอกว่าใช้ผ้าเข่ามาผูกหัวแล้วก็ปลายเข้าไว้กับเสาบ้านแล้วก็ให้คุณต้นไปนอนในเปลนะคะแล้วก็กล่อมคุณต้นไปจนคุณต้นหลับค่ะแม่ก็เลยไปดำนาต่อแม่บอกว่าอยู่ในระยะที่ไม่ไกลามากสามารถมองเห็นได้แต่ว่าถ้าจะเดินหรือวิ่งมาก็ใช้เวลาเกือบนาที ซึ่งในขณะที่ดำนาอยู่นั่นเองค่ะชายแก่ๆพร้อมฝูงหมาดําก็ได้เดินทางมาถึงเถียงนาที่คุณต้นหลับอยู่ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าผู้ชายคนนี้มาหยุดอยู่ที่เปเลแล้วก็ยืนจ้องมองสักพักหนึ่งหมาก็ส่งเสียงดังทั้งเหา่าทั้งหอนแต่ว่าด้วยความกลัวก็เลยทําให้ชาวบ้านคน น, นั้นเนี่ยได้แต่ยืนมองดูอยู่กัไกลๆแต่เชื่อหรือเปล่าคุณผู้ฟังว่าหมาหอนเสียงดังขนาดนั้นคุณแม่บอกว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย ก็ยังเห็นคุณต้นนอนอยู่บนเปลเป็นปกตินะคะแต่ว่าอาจจะเพราะว่าลมแรงแล้วก็มีเสียงฟ้าร้องก็เลยทําให้ไม่ได้ยินอาจจะพัดเสียงไปในทิศทางอื่นชาวบ้านคนนั้นก็เล่าตอ บ, บอกว่าในขณะที่ผู้ชายคนแก่คนนี้เนี่ยยืนจ้องมองคุณต้นอยู่ในเปลนะคะก็แอบดูอยู่แหละแต่ว่าไม่กล้าเข้าไปถามว่ามาทําอะไรเพราะว่ากลัวก็เลยรีบหลบหน้าไปเพียงแค่ไม่กี่วินาทีค่ะพอเขาหันหลังกลับมาผู้ชายแก่ๆพร้อมกับฝูงหมาดําหายไปแล้ว แต่ว่าทันใดนั้นเองคุณต้นก็ร้องไห้นะคะเสียงดังค่ะแม่ก็เลยรีบวิ่งมาดูพร้อมกับชาวบ้านคุณต้นบอกว่าร้องไห้เสียงดังไม่ยอมหยุดเป็นเวลาหลายชั่วโมงเลยแล้วก็ได้มีหมอตำแยประจําหมู่บ้านเนี่ยมาตรวจดูแล้วก็บอกว่าเป็นไข้ตัวร้อนสูงก็เลยให้ยาลดไข้กินก็เลยหลับไปนานพอสมควรแต่ว่าพอรุ่งเช้าตื่นขึ้นมาพร้อมกับร้องไห้เหมือนเดิมไม่มีวี่แววว่าจะหยุดหมอตำแยก็เลยมาตํายารักษา แล้วก็เอาอยาลดไข้มาให้กินอีกครั้งแต่ว่าคราวนี้ไม่หลับค่ะรวมทั้งยังร้องไห้หนักกว่าเดิมไม่ยอมหยุดตั้งแต่ช่วงตีสไปจนถึงช่วงเย็นก็เลยทำให้ชาวบ้านแถวนั้นต่างลงความเห็นกันแน่นอนแล้วว่าไม่ใช่เป็นไข้ธรรมดาแน่และแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคุณแม่ก็ได้พาคุณต้นไปที่วัดแถวนั้นทันทีพอไปถึงเนี่ยเด็กอายุ3าขวบดิ้นทุรนทุรายพร้อมร้องบอกว่ากูไม่อยากไปวัดกูไม่อยากไปวัด ไม่ต้องพากูไปแม่เล่าให้ฟังว่าผู้ใหญ่สองคนที่จับตัวแล้วก็อุ้มไว้นั้นเนี่ยเอาแทบจะไม่อยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กแค่อายุสามขวบเนี่ยนะคะไม่รู้ว่าเอาเรียวแรงมาจากไหนแต่ว่าพอไปถึงวัดก็นั่งเงียบทั้งที่เป็นเด็กดือ้อก็นั่งก้มหน้าก้มตาไม่ดือ้อไม่สนนั่งเงียบๆจนกระทั่งพระที่วัดเดินมาก็เลยจ้องมองไปที่หน้าหลวงพ่อหลวงพ่อก็ถามบอกว่าเป็นไผคุณต้นก็ตอบไปบอกเป็นไผกระร้างกูเยไม่ยุง มึงมาเฮ็ดยังคุณต้นก็เลยหัวเราะหาพร้อมบอกว่ากูอยู่บ้านนี้มาโดนแล้วมึง ย, มมยังมาหยุ่กับกูมึงสิเอาแมนบอลหลวงพ่อพูดเสร็จนะคะก็แจ้งให้คนไปตามหมอทำรร ม, มาหรือหมอผีที่มีชื่อเสียงของหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งมาค่ะซึ่งกว่าจะมาถึงก็ใช้เวลาประมาณเกือบเกือบสานาทีซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยคุณต้นร้องไห้แบบเด็กสลับกับการด่าแล้วก็โต้เถียงกับพระแล้วก็ชาวบ้านจนมีบทสนทนาหนึ่งซึ่งก็เป็นบทสนทนาเดิมก็ถามบอกว่า มึงเป็นไผ่คุณต้นก็ตอบออกไปนะคะบอกว่ากูซื่อแดงกูอยู่บ้านแฮ่บ้านแห่ซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้ๆ ก, กันกับบ้านที่คุณแม่ของคุณต้นไปทํานาแล้วก็มีการถามกันบอกว่าอ่ามึงต้องการยังคุณต้นก็บอกกูหิวกูจะกินบักนี่ละ่ะยังไม่ยุงกับกูยังไม่ยุ่งกับกูเด๊ระหว่างนั้นเองหมอทํามาถึงก็เริ่มบริกรรมคาถาแล้วก็เสกน้ำมนต์ให้คุณต้นดื่มพร้อมกับอาบให้นีคะ คุณผู้ฟังคะ่ะภายในระยะเวลาไม่ถึง10นาทีแค่นั้นเองคุณต้นก็ร้องไห้มาทั้งวันเปลี่ยนไปเป็นคนละคนค่ะกลับมาเป็นเด็กเหมือนเดิมแล้วก็ดื้อแล้วก็หลับไปทันทีด้วยความเหนื่อยจากการร้องไห้มาทั้งวันแล้วนะชาวบ้านแถวนั้นก็เลยรวมทั้งหมอธรรมนะครสรุปว่าปอบเข้าสิ่งที่ตัวคุณต้นแน่นอนต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็น VR ความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะมีอีกเรื่องนึงคะ่ะเป็นเรื่อง คุณต้นเล่าให้ฟังอีกรอบนึงแต่ว่าเป็นเรื่องคุณยายต้องขอเล่าแล้วก็อธิบายรายละเอียดบ้านที่คุณต้นอาศัยอยู่เมื่อก่อนด้วยนะคะเพราะว่าเป็นบ้านเป็นมายกใต้ถุนสูงข้างล่างเนี่ยจะโล่งมีแค่บันไดแล้วก็ห้องน้าเท่านั้นที่อยู่ชั้นล่างซึ่งก็เป็นบ้านสมัยก่อนที่พบเห็นได้ทั่วไปตามต่างจังหวัดนะคะมาเข้าเรื่องคุณยายกันเลยดีกว่าค่ะตอนนั้นผ่านมา3ปีคุณต้นอายุ6ขวบละ บอกเลยว่าเด็กบรร น, นอกเนี่ยหกขวบเนี่ยทำเป็นทุกอย่างแล้วนะกวาดบ้านถบูบ้านล้างถ้วยล้างจานปัน่นจักรยานไปโรงเรียนต่างจากเด็กสมัยนี้มาก6ขวบพ่อแม่ยังอุ้มอยู่เลยค่ะบางทีก็ยังนั่งรถเข็นอยู่ที่บ้านของคุณต้นเนี่ยจะไม่มีประตูบ้านนาะคะพอเดินขึ้นบันไดก็จะเจอกับห้องโถงของบ้านเลยซึ่งห้องโถงเนี่ยก็จะคล้าย ก, กันกับห้องรับแขกอ่าก็จะมีทีวี TV, ตู้เย็นตู้เสื้อผ้า ซึ่งที่บ้านเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีพื้นที่กว้างนะคะซึ่งหากว่าใครที่เป็นคนต่างจังหวัดถ้าฟังเรื่องนี้คิดภาพตามได้ชัดเจนแน่นอนว่าบ้านต่างจังหวัดนี่เป็นแบบไหนข้างล่างก็จะยกพื้นสูงบางทีก็มีเสาเกต้นบ้าง12ต้นบ้างนะคะแล้วก็จะมีบันไดเดินขึ้นไปบางทีก็ไม่มีประตูนะ ไม่มีประตูบ้านบางหลังไม่มีประตูแล้วก็จะมีโล่งๆมีตู้เสื้อผ้ามีตู้อะไรบางทีก็จะมีแค่ผ้ามาขึงกั้นไว้แค่นั้นเองนะคะเพื่อที่จะทำเป็นห้องเป็นอะไรประมาณนี้ ซึ่งที่บ้านของคุณต้นเนี่ยค่อนข้างจะมีพื้นที่กว้างค่ะเรียกว่าประมาณสักสิบคูณสิเมตรเห็นจะได้แล้วก็จะมีฝาผนังห้องนอนซึ่งผนังห้องนอนเนี่ยจะเป็นไม้ไผ่ที่บ้านก็จะเป็นรูปต่างๆมันจะเป็นรูปพระรูปในหลวงรูปพ่อแม่หลายรูปเลยเรียงกันเยอะแยะไปหมดรวมทั้งรูปคุณยายด้วยก็ขอแทนคุณยายว่าคุณยายสีละกันนะคะรูปคุณยายสีเนี่ยจะเป็นรูปภาพขาวดําติดอยู่ที่ฝาผนังบ้านค่ะ รูปแก่ก็จะเป็นรูปถ่ายลักษณะคล้คลายๆคนที่ยิ้มมุมปากซึ่งถ้าเกิดว่ามองดีๆเนี่ยบางมุมก็จะเหมือนรูปคนหน้าบึง้งหน้าบูดถ้ามองบางมุมก็เหมือนคนยิ้มซึ่งเวลาคนมาบ้านใครที่มาดีแก่ก็จะยิ้มต้อนรับรวมทั้งถ้าเป็นลูกหลานแก่แก่ก็จะยิ้มต้อนรับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แก่ไม่ชอบหรือว่าคิดไม่ดีแก่ก็จะทำหน้าบูดหน้าบึง้ง ตั้งแต่จำความได้คุณต้นบอกว่าเห็นรูปยายสีแล้วติดอยู่ที่ฝาบ้านก็รู้แค่ว่าแกเป็นแม่ของพ่อก็คือลุงคนที่เลี้ยงดูนี่แหละนะคะแล้วก็เป็นสามีของแม่หรือว่าป้านะคะแต่ว่าตอนนั้นแม้ว่าตัวของคุณต้นเอง นะคะจะสามารถทำอะไรหลายๆอย่างทำเองเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วหมายถึงว่าช่วยเหลือตัวเองได้หมดแล้วนะคะแต่ด้วยความสงสัยของเด็กนะคะก็ยังไม่รู้ว่าพอคนที่ตายแล้วเขาจะไปไหนผีเป็นแบบไหน แต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งค่ะวันนั้นพ่อกับแม่ของขุนต้นเนี่ยจะต้องไปงานแต่งงานที่ต่างหมู่บ้านซึ่งก็ไกลพอสมควรแล้วก็การเดินทางเนี่ยก็ต้องเดินทางโดยรถมอเตอร์ไซค์กันด้วยความที่เป็นอ่าเป็นห่วงว่าการขับรถตอนกลางคืนในระยะทางไกลแล้วก็ต้องมีการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีกฎหมายเมาแล้วขับนะคะแกก็เลยบอกให้ขุนต้นเนี่ยอยู่บ้านคนเดียว ก็ดีใจเป็นพิเศษแล้วค่ะเพราะว่าจะได้เล่นกับเพื่อนแถวบ้านซึ่งปกติไม่เคยได้ไปไหนเลยทั้งทางที่อยู่หน้าบ้านซึ่งในระแวกหมู่บ้านเนี่ยจะมีเสาไฟฟ้าให้ความสว่างตามถนนแค่หน้าบ้านนะคะในระยะประมาณ500เมตรซึ่งก็ติดตั้งเองจ่ายค่าไฟเองด้วยแล้วก็ช่วงหัวค่ำเด็กๆ ก, ก็จะมาวิ่งเล่นกันที่หน้าบ้านนี่แหละนะคะซึ่งวันนั้นคุณต้น ก็มีโอกาสไปเล่นกับเพื่อนเพราะว่าพ่อกับแม่ไปางานกินดองถ้าเป็นภาษาอีสานถ้าว่าเป็นภาษาไทยก็งานแต่งงานนะคะโดยหลังจากที่เล่นเสร็จแล้วคุณต้นก็เดินกลับมาบ้านแล้วก็ขึ้นมาที่บ้านเพื่อที่จะดูทีวีก็ดูทีวีไปอย่างมีความสุขตามภาษาเด็กนะฮดูก า, ร, การ์ตูนการ์ตูนอะไรกันไปในขณะที่ดูทีวีอยู่นก็ได้ยินเสียงคนเดินอยู่ข้างล่างบ้าน แล้วก็เดินขึ้นบันไดมาในใจก็อาจจะคิดว่าเป็นเพื่อนหรือว่าเพื่อนบ้านแถวนั้นเดินมาก็เลยไม่ได้สนใจเสียงเดินก็มาหยุดอยู่ที่บันไดขั้นสุดท้ายของบ้านอย่างที่บอกอะฮะว่าบันไดที่ห้องโถงเนี่ยก็ก็คือพอเดินขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเจอห้องโถงเลยก็จะเป็นห้องที่แบบโล่งๆนอนดูทีวีคุณต้นบอกมองออกไปจากหน้าจอทีวีแต่ก็ไม่เห็นมีใครแล้วก็ไม่ได้สนใจก็เลยดูทีวีต่อสักพักก็ปวดที่ ก็เลยเดินลงไปฉีไม่น่าจะถึงนะ5นาทีนะเดินขึ้นมาอีกก็เจอคุณยายสีเนี่ยแกนั่งดูทีวีอยู่หน้าทีวีแล้วแน่นอนค่ะว่าคุณต้นบอกจาหน้ายายได้ชัดเจนมากก็เลยไม่คิดว่าเป็นขโมยแกก็นั่งดูอยู่ข้างๆคุณต้นก็เลยถามว่าคุณยายมาเมื่อไหร่แกก็ไม่ตอบก็บอกว่าพ่อกับแม่ไปงานแต่งยังไม่กลับรอสักพักก็คงจะกลับแกก็ไม่ตอบนะคะก็นั่งดูทีวีอยู่เหมือนเดิม หน้าก็เหมือนในรูปเลยค่ะแต่ว่าจำไม่ได้ว่าเป็นลักษณะสีเทาหรือว่าเป็นสีเหมือนคนปกตินะคะประมาณสักสองสามทุ่มเริ่มรู้สึกง่วงก็เลยเผลอหลับไปจนกระทั่งพ่อกับแม่มาพอพ่อกับแม่มาถึงก็เลยเล่าให้พ่อกับแม่ฟังบอกว่าพ่อพ่อยายสีมหามาดูทีวีรออยู่กับผมเนี่ย ก็ถามย้ำนะว่ายายสีไหนก็เลยตอบไปบอกว่านี่ไงยายสีอยู่ที่อยู่ในรูปนี่ไงรูปที่ติดอยู่ข้างฝาบ้านเนี่ยแค่นั้นแหละค่ะก็โดนผู้ใหญ่ว่าเลยบอกว่าหัดโกหกมาจากไหนทำไมเป็นคนโกหกแล้วก็ไปหาแม่เรียวมาฟาดเลยนะคะคุณต้นบอกร้องไห้หมดเลยจากความกลัวแล้วก็ความเจ็บปวดที่ถูกตีไปนะคะพร้อมกับความสงสัยว่าเอ๊ะโกหกยังไงก็เมื่อกี้นี้ก็คือเห็นคุณยายคุณยายสีมานั่งดูทีวีอยู่ ก็ตั้งใจเล่าความจริงให้ฟังนะคะก็เลยเก็บความสงสัยว่าแอดเราโกหกนี่เราโก6กยังไงก็เลยเข้าไปนอนในห้องทางน้ําตาเลยด้วยความสงสัยว่าทําไมถึงคิดว่าเราโ ก, โกหกแล้วก็ตีทําไมจนตอนเช้าค่ะตื่นนอนขึ้นมาวันนั้นเป็นวันหยุดไม่ต้องไปโรงเรียนก็เลยอยู่บ้านก็เลยถามแม่ว่าแม่แม่ทำไมพ่อถึงตีแม่ก็เลยบอกว่าก็ผมโกหกผมก็เลยถามว่ากโกหกเรื่องอะไรแกบอกว่าเรื่องยายสีมาหาคุณต้นก็ยังยืนยัน กระต่ายขาเดียวค่ะนั่งยันตีลังกายันบอกว่ายายสีมาหาจริงๆไม่ได้โกหกยายยังนั่งดูทีวีอยู่ด้วยเลยเมื่อคืนแม่ก็บอกว่าเยสีตายไปนานแล้วไม่มีทางมาหาหรอกแล้วก็มาหาไม่ได้แต่ว่าที่คุณต้นเนี่ยบอกว่าไม่รู้จริงๆนะคะว่าผีคืออะไรรู้แค่ว่าคนตายคืออะไรตายแล้วต้องเอาไปไหนตายแล้วต้องเอาไปเผาไฟ ตายคือไม่หายใจแต่ว่าหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันคุณต้นก็เจอกับยายสีบ่อยๆค่ะซึ่งหลังจากที่สังเกตแล้วจะเจอแค่วันอังคารแต่ก็ไม่เคยเล่าให้พ่อกับแม่ฟังนะเพราะว่ากลัวโดนตีจนกระทั่งขึ้นชั้นปถมปีที่สองแล้วก็สองปีให้หลังถึงรู้ว่าผีเนี่ยคือวิญญาณเพราะว่าอาจารย์ประจำชั้นจะกลัวมากเมื่อเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง แล้วก็จะถามรายละเอียดตลอดว่าเจออะไรยังไงเป็นแบบไหนเจอตอนกี่โมงซึ่งพออาจารย์กลัวคุณต้นก็เริ่มกลัวไปด้วยยิ่งได้ดูหนังผีหรือว่าละครผีผีจะมาหักคอมาบีบคอให้ตายเนี่ยยิ่งกลัวไปใหญ่เลยนะคะแล้วก็ต้องรู้ว่าพอเจอผีก็ต้องสวดมนต์เหมือนใน ห, หนังนะคะคุณผู้ฟังคุณต้นบอกว่าเชื่อไหมหลังจากที่รู้ว่าผีคือวิญ ญ, ญาณของคนตายก็ไม่เคยเจอยายสีอีกเลยแต่อยากบอกว่าให้รู้นะคะว่า ผีที่เห็นเนี่ยเหมือนคนทั่วไปไม่มีเลือดหน้าไม่เละเหมือนเร า, เราท่านๆ น, นี่แหละไม่แน่นะคะว่าคนที่เดินผ่านไปมาทุกวันหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นผีก็ได้